ยังข้อที่ยังข้าที่ยังฟังธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมะไอเบื้องต้นได้ปฏิบัติด้วย การกล่าวนมัสการพะรตนาตราสาธยายสาธยายน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เรียกว่าสวดสาธยายสวดมนต์เจริญภาวนาด้วยการสาธยาย ด้วยความมีสติกำหนดรู้ดังที่พวกเราได้ไหวพาสวดนมนต์สาธยายนั้นเรียกว่าสาธยายภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติต่อกายวาจาใจของเรานั่นเองคำว่าปฏิบัติธรรม ธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงทั้งหลายร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ขันห้าอายตนะก็เป็นความจริงของรูปประขันนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นความจริงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่เดี๋ยวมาปฏิบัติ ธรรมะปฏิบัติให้เข้าใจในความเป็นจริงของธาตุสี่ขันธ์าอายตนะหรือว่ารูปกายหรือจิตใจของเราเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> <c oughs> สวดสาธยายภาวนาจบแล้วลำดับต่อนนี้ไปกับั า, างใจปฏิบัติมริกรรมภาวนา หรือว่าฟังธรรมสร้างปัญญาด้วยการได้ยินได้ฟังให้เป็นสุตมะยะปัญญาได้ยินได้ฟังด้วยสัมผัสทางหูรู้ด้วยใจมีสติควบคุมใจนั่งเข้าที่อัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ า, าย วางมือขวาทับมือซ้ายทางกายตรงดํารงสติคือความระลึกรู้ให้ระลึกรู้เป็นคู่กับใจเรียกว่าเฉพาะความรู้ของเราเรียกว่าตั้งสติกําหนดเฉพาะหน้าคือเฉพาะใจไม่มีอะไรในโลกกระถางนี่หรือที่อยู่ข้างเทียมของเราเนี่ย ไม่ให้มีอะไรมีแต่กายกับใจของเราเท่านั้นรู้กันอยู่นี่ร่างกายก็นั่งสงบนิ่งตัวตรงใจก็แนลรู้พุโทโธพุโทโธ <c oughs> หายใจเข้าก็รู้หายใจออกรู้นี่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อให้ เข้าถึงสมถะธรรมคือรวมใจฝึกใจให้รู้รละลึกรู้อยู่ในปัจจุบันเรียกว่ารวมใจเข้ามาสู่ใจแต่งแต่งใจของเราอเอาสติแต่งสติคือความระลึกรู้แต่งให้ความรู้นี่รู้อยู่กับ สติคมกืนกันสัมผัสกับกายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่เป็นเบื้องต้นเป็นฐานที่จะให้เกิดสมรรมทำคือสงบกายสงบวาจาก็ไม่พูดสงบกายก็นั่ง นิ่งเที่ยงตรงส ง, งบใจก็ให้รู้อยู่อารมณ์ันเดียวหายใจสบายสบายให้เป็นธรรมชาติไม่เก่งไม่กดไม่เก่งด <c oughs> ูความรู้นี่แหละให้มันเป็นปัจจุบันพอะท่าทรายออกไปข้าง ใต้ข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างนั่นเป็นการส่งออกไปภายนอกไม่เป็นการรวมเข้ามาเฉพาะภายในนะปฏิบัติกายกับใจให้เกิดความเป็นธรรมคือความเป็นปกติความปกติกายกายไม่มีโรค ภัยใข่เก็บไม่มีทุกขเวทนาปรากฏสัมผัสที่กายมีแต่ความว่างเบาสบายนั่นเดียวว่าเป็นสุ ข, ขเวทนาก็ให้รู้ก็ให้รู้อาการของกายส่วนวาจาเนี่ยรู้หรือว่าไม่ไม่พูดพูดไม่ใส่เสียง ส่วนใจนี่ให้รู้รู้ว่ามันรู้หรือความนึกคิดนึกพุทหายใจเข้านึกโทหายใจออกอไม่ทรงสายแสไม่ไปสำคัญมั่นหมายกับความนึกความคิดไปเรื่องอย่างอื่นนี่ให้นึกอยู่ในอารมณ์มันเดียวพุทโทพุทโท ประครับประคองใจไว้ส่วนเสียงธรรมะที่อธิบายไปก็จะสัมผัสกับหูหูมีหน้าที่สัมผัสเสียงใจมีหน้าที่รู้ก็ให้รู้เรียกว่ารู้ปัจจุบันปัจจุบันเสียงอะไรสัมผัสเข้าไปก็จะรู้ด้วยใจให้เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลว่าจะจำเอาเสียงพูดอให้รู้อยู่เฉพาะใจให้รู้อยู่กับคํานึกบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เท่านั้นแหละอส่วนเสียงสัมผัสหูใจก็จะรู้ความหมาย ถ, าถ้าไม่รู้อะไรมันก็จะรู้รููู้้เข้าไป เป็นความรู้อันเดียวก็ให้รู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยพยา ย, ยามอื่นในวันนี้จะพูดธรรมะคือสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริงซึ่งมีอยู่กายใจของเรานี่แหละนี่ ธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงรูปรธรรมคือร่างกายของเรานท่านเรียกว่ารูปรธรรมร่างกายนี่ประกอบด้วยธาตุอาญตนะอาญตนะก็เกิดจากธาตุการประชุมแห่งธาตุธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่เป็นการกำหนดรูกำหนดรูธาตุอันนี้เป็นบาทแห่งวิปั ส, สนาท่านเรียกว่าวิปั ส, สนาคือการค้นคว้าพินิจพิจารณา ให้เข้าใจความเป็นจริงสมถานั้นรวมใจคือมันเป็นธรรมชาติของความรู้ที่เรียกว่าใจใจเนี่ยถ้าใจนี่มันไปเป็นบ่อยของสังขารสังขารคือความคิดปรุง ความคิดปุงอันนุ่นอันเน่เรื่อยเปื่ยไปเนะี่ยมันเป็นความฟุ้งซ่านลำคาญเพราะฉะนั้นจึงให้คิดอยู่อันเดียวนึกอยู่อันเดียวอารมณ์อันเดียวคือนึกพุทโธพุทโธควบคุมสติควบคุมใจให้รู้อยู่กับกับสังขารคือการนึกพุทโธพุทโธพุทโธ นั่นความรู้จะมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นความรู้ที่มีพลังสงบขาดจากอารมณ์อย่างอื่นแนวมีพลังตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวเก็จะปรากฏความเบาสบายเอากายเบาจิตนี่เรียกว่า ผลอนิสง์ของสมถะธรรมก็มให้พึงรู้เมื่อกิจของเราสบายไม่ฟุ้งซ่านกายก็ไม่หนักหน่วงเรียกว่าเป็นกายเบาใจเบาเพราะไม่มีไม่มีภาระกับสัญญาอารมณ์ไร้ลายให้ยางยมีอยู่อารมณ์อันเดียว เหมือน ก, นกันกับเรามีวัตถุเราถือวัตถุอันเดียวนิดๆหน่นยนอยๆมันก็ไม่หนักถ้าไปถือหลายอย่างเข้าไปมันก็เป็นภาระมันก็หนักนี่ก็เหมือนกันใจไม่มีตัวตนแต่มันมันรู้สึกหนักเพราะมันมีหลายสิ่งคิดหลายสิ่งไปลูกนั่นแต่จึงให้ การอบรมเพื่อให้จิตใจสงบรวมเข้าสู่ใจอันจึงเรียกว่าสมถะธรรมบริกรรมอารมณ์อันเดียวบริกรรมอารมณ์อันเดียวใจสบายแล้วส่วนวิปัสนาธรรมเรียกว่าปัญญา อระุทธเจ้าให้เจริญสติสมาธิปัญญาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเกี่ยวกับกายวาจาเมื่อกายสงบวาจาสงบก็เป็นปกติกายปกติวาจา ก็เป็นความสุขความสบายเกิดขึ้นเดี๋ยวแต่จิตความนึกคิดถ้ามันนึกคิดไปหลายๆอย่างมันก็ไม่สบายเพราะฉะนั้นให้นึกอันเดียวนึกพุโทโธพุโทโธหายใจเข้ารู้นึกพุทหายใจออกรู้นึกโธเมื่อฝึกนึกอยู่กับอารมณ์พุโทโธพุโทโธนี่ สองอย่างนี่เข้าพุทโทออกเข้าพุทโทรออกเข้าพุทโทออกใจก็จะเบาเบาเบาบาเ บ, าบานี่เป็นความสุขในสมถะธรรมสุขเพราะสติไม่ขาดวักขาดตอนแล้วใจความรู้ตั้งมั่นอันเดียวเรียกว่าเราจเจริญ ศีลสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นเป็นเรื่องเป็นอาการของความรู้อาการของใจรู้ตั้งมั่นอยู่เฉพาะตนเฉพาะใจแล้วก็ท่านก็ให้เจริญปัญญาปัญญาปัญญาสาม สุตมะยปัญญากินตมะยปัญญาภาวนามะยปัญญาปัญญาเสียบแหลมปัญญารู้ปัญญาเนี่ยท่านเรียกว่าวิชาคือศึกษาฝึกฝนอบรมให้วิชาความรู้เสียบแหลมคือให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ให้รู้ตาม สมมุติมาให้หลงตามสมมุติให้รู้ตามความจริงของสภาวะธรรมหรือว่าสภาวะแห่งการเกิดขึ้นสภาวะของชาติที่การเกิดเมื่อเกิดแล้วก็แปรปวนแล้วก็ดับไปปัญญา ได้ยินได้ฟังอธิบายว่ารูปร่างกายของเรานี่มันประกอบด้วยธาตุสี่คันธาอายตนะก็เพ่งดูลู่ในกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมห่างกายประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเรียกว่าธ <c oughs> าตุ ธ า, นะ า, า, าตุแยกอายตนะก็เกิดจากธาตุเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมแยกออกไปเป็นอายตนะเป็นตาหูจมูกรีนกายใจแยกอายตนะ อยายตนะที่เป็นรูปเราก็เห็นตาเราก็เห็นหูเราก็เห็นจมูกก็เห็นลิ้นก็เห็นรวมทั้งกายทั้งหมดก็เห็นแต่ใจไม่มีตัวตนแต่รู้อยู่ภายในความรู้เป็นที่เกิดของอารมณ์เป็นที่เกิดของสังขารจะรู้ พอเรานึกคิดเรื่องอะไรก็เกิดขึ้นเรื่องดีหรือไม่ดีอรื่างเป็นบุญหรือเป็นบาปนี่ไม่มีตัวตนแต่รูปว่านึกคิดนึกคิดแล้วทุกอนึกคิดแล้วเศร้าหมองนึกคิดแล้วปลอดโปรงนี่มจะมีสองอย่าง ถ้าสิ่งใดนึกคิดรู้แล้วว่างวา ง, วางปิดใจปลอดโปร่งอันนั้นเดียวว่าความนึกคิดอันนั้นเป็นธรรมถ้านึกคิดแล้วโหดโหเร่าร้อนเรียวว่าอาการนึกคิดอันนั้นไม่เป็นธรรมนี่ให้รู้ให้รู้วิธี วิธีความนึกความคิดนึกคิดเป็นธรรมนึกคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงความนึกความคิดสัญญาก็เป็นเพียงความจดความจําสังขารก็เป็นเพียงนึกคิดปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา นี่ให้ลู้ความจริงของธรรมะคือสัญญาสังขารวิญญาณรูปนามกายใจนี่ธรรมะตามความเป็นจริงอยู่อยู่ตรงนี้ที่ท่านบันทึกออกไปเป็นตำรับตำลาเป็นพระไตรปิฎกแปดมือนสี่พันพระธรรมขันนั่นนั่นมันเป็นสมมุติ เป็นสมมติออกไปจากกายกับใจแต่ทำแท้คือกายกับใจรู้กายตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรู้ใจตามความเป็นจริงว่าสังขารความนึกคิดวิญญาณความรับรู้รับทราบอันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรเป็นเพียงสมมติ สมมติว่านี่สังขารนี่วิญญาณนี่สัญญาความจำได้หมายรู้แต่ความจริงแหละเขาไม่เป็นอะไรเขาก็เป็นเพียงว่าลักษณะการที่จำได้หมายรู้จำได้แล้วแล้วมันก็ลืมไปหายไปเรว่านึกคิดอันนี้หายไปนึกคิดอันนั่นหายไ ป, ยไ ป, ยไปนี่คือธรรมชาติแห่งความจริงของ นา ม, มาขันรู ป, ปรขันนา ม, มาขันทั้งรูปทั้งนามมาค่าควรพิจารณาให้เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงนี่พพุทธเจ้าจึงยกหลักไตรลักษณะแห่งความเป็นจริงคือไม่เที่ยง ทนอยู่ได้ยากและก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะให้รู้ให้เข้าใจในสมมุติเหล่านี้ตามความเป็นจริงก็ต้องมีพลังของสติสมาธิและปัญญาฝึกปัญญาได้ยินได้ฟังแล้วก็ไข้ควรจริงว่า สุดตะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็กินตะแห่งใข้ควรเหตุผลแลี๋วนี้ทุกเกิดขึ้นกับใจเนี่ยทุกเพราะความอยากท่านเรียกว่าความอยากนี่ท่านเรียกว่าตัณหาท่านเรียกว่าเสือมุูัย คือสมุฐานให้เกิดทุกข์น่แหละคำว่าสมุทยัยคือสมุฐานที่จะให้เกิดความทุกข์ที่จะสัมผัสกับใจรู้ว่าเรามีทุกข์มีสุขมันจะเกิดจากความอยากแต่ท่านให้ชื่อว่าสมุทยัยยศคือสมุฐานให้เกิดทุกข์ ได้แก่ความอยากอาการแห่งความอยากนี่อยากอยากในอิริยาบถอยากเคลื่อนไหวไปมาอยากยืนอยากเดินอยากนั่งอยากนอนนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คือเมื่ออยากเกิดขึ้นเพราะมันมีทุกข์มันจึงอยากเพราะมันอยากมันจึงมีทุกข์ถ้าอยากแล้วก็เปลี่ยนอิรยาบถไปก็พอมีความสุขบ้างนี่ท่านจึงเรียกว่าการเปลี่ยนอิรยาบถนั่นแหละมันเป็นการบังทุกข์ปิดบังความทุกข์ไม่ให้เห็นทุกข์ตามเป็นจริง เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสนาปัญญาจะเกิดพอมีความทุกข์เมื่อเรานั่งสมาธิไปหรือทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ถ้าทำไปนานๆมันจะทุกข์มันจะมีความทุกข์ความไม่สบายกายเกิดขึ้น ใจก็จะทุกไปด้วยเมื่อมันยังไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนี้จึงว่าทุกนั่นละเป็นบาทแห่งวิปัสนาเป็นบาทแห่งปัญญาถ้าไม่มีทุกไม่มีปัญญางั้นไม่เกิดปัญญาจะนั่งนานๆ น, นั่งภาวนานานๆ ความทุกข์เกิดขึ้นสัจจะสัจจะโคงไห้อธิฐานะโคงไห้มันทุกข์ก็ไม่พลิกไม่ขยับขยื่อนมันก็จะเทวีความทุกข์ขึ้นเรื่อยเรืยรยรยที่พระพุทธเจ้าสอน่าให้กำหนดรู้แม่ทุกข์มันเกิดขึ้นให้กำหนดรู้รู้ด้วยปัญญา เมื่อกำหนดรู้ก็ค่อควรค่ควรแยกแยะว่าทุกข์มันมาจากไหนมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เมื่อกําหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้กําหนดรู้ก็ใช้ปัญญาด้วยรู้ด้วยปัญญาด้วยการพินิจพิจารณาค่าควร แยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะออกจากกันนี่เมื่อปัญญามันเดินเมื่อปัญญามันเดิ น, <c oughs> นปัญญามันวินญญน่งด้วยการพินิษพิจารณามันก็จะเข้าใจความเป็นจริงความเป็นจริงจะเข้าถึงใจอันจะรู้ว่า เวทนาก็ไม่มีตัวตนเวทนาก็เป็นเวทนาเวทนาไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่กายกายก็ไม่ได้รู้ว่ามีเวทนาแต่ผู้รู้เวทนาคือใจการใจเวทนาก็ไม่ใช่ใจใจเป็นเพียงผู้ไปรู้ พินดากำหนดรู้ทบทวนคขอยควรเข้ามีปัญญาความสว่างคือความรู้ตามเป็นจริงสว่างขึ้นสว่างขึ้นสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมันเป็นเพียงสมมุติทุกสุขก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเป็นเพียงอาการที่สัมผัสกับกายรู้ด้วยใจ เมื่อเห็นด้วยความรู้ความเห็นคือปัญญาแล้วมันก็จะวางความเข้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นทุกก็จะหายไปคือทุกจะเปลี่ยนไปเป็นความสุขสุขและทุกท่านก็เรียกว่าเวทนาหรือเฉยเฉยก็เรียกว่าเวทนา เมื่อมันรู้ความจริงด้วยปัญญานั่นแะมันจริงความอยากจึงไม่มีความอยากจึงไม่มีในในความรู้รู้ไม่มีในใจก็ไม่มีความอยากมันก็ไม่มีทุกเขาเรียกว่าทุกดับไปหรือความทุกข์หายไปเพราะ ปัญญานีาเรียกว่าเรียกว่ามรคมรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเนี่ยเป็นมรคสติปัญญามาพิจารณาทุกที่เกิดขึ้นพิจารณาความอยากให้ทุกข์หายไปอยากให้สุขเกิดขึ้นมาลูกความจริงอันนี้มันก็เป็นเพียง ความอยากความสำคัญมั่นหมายมันก็จะวางมันก็จะเข้าไปหาผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติคีอใจธรรมชาติรู้นี่แหละมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์สุขทุกข์พอสมมติสมมติวันนี้ทุกข์สมมติวันนี้สุขก็เกิดความอยาก ให้สูงมากเดี๋ยวให้ทุกหายไปมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความอยากยิ่งเป็นการเพิ่มทุกข์เข้าไปอีก่เมื่อได้ยินได้ฟังใข้ควรให้เกิดปัญญาหรือู้แล้วก็ใข้ควรให้เกิดปัญญาปัญญาทําหน้าที่ เป็นแสงสว่างไม่มีความมืดวความเชื่อมต่อที่เรียกว่าอุปทานอุปทานคือความหลงกับความมืดเป็นเดิมเดียวกัน mm hmm. ก็ถือว่าเนี่ยความสว่าง mm hmm. กระจ่างแก้งสว่างจ้าขึ้นด้วยปัญญาความมืดก็สิ้นสุดไป นี่วิธีประพึ ธ, ธรรมปฏิบัติทรรมเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ทำที่สุดแห่งอุปทานกรรมอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ มีอุปทานแล้วก็มีการกระทาจะเรียกว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเยลาจะถอดถอนสลักของกรรมก็ต้องถอนอุปทานถอนอุปทานด้วยการเจริญมาก ว่าเจริญสติสมาธิปัญญาให้แจ่มแจ้งเมื่อสติและปัญญามีกําลังแจ่มแจ้งแล้วตัณหาอุปทานกรรมก็สิ้นสุดไปคือไม่ต้องไปละ ไม่ต้องไปละทุกไม่ต้องไปละสมุทัยคือเจริญมรรคเพราะการเจริญมรรคคือเจริญสติภาวนานให้ต่อเนื่องกันไปสมาธิตั้งมัน่นปัญญาแจ่มแจ้งแล้ว ก็เรียกว่าความแก่มแจ้งเกิดขึ้นความมืดก็สิ้นสุดไปความหลงก็สิ้นสุดไปอุปทานก็สิ้นสุดไปกรรมคือการกระทําในอากุศลกรรมก็สิ้นสุดไปนี่เจริญ ปัญญาให้แจ่มแจ้งปัญญานี่แหละเป็นตัวทำลายความหลงเรีกว่าทำลายความหลงความมืดทำลายความโลภโกตหลงด้วยปัญญาปัญญาสัมมาทิฏฐิทั้งความรู้และความเห็น ให้ควรด้วยเหตุด้วยผลธรรมะคือศาสนาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนใจสอนใจให้รู้สอนใจให้รู้สอนใจให้เห็น หเห็นสมมุติเห็นบัญญัติรู้สมมุติรู้บัญญัติตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้เรื่องกายรู้เรื่องใจเพราะสังขารสัญญารวมอยู่ที่ใจถ้ารู้เรื่องใจก็รู้เรื่องสัญญารู้เรื่องสังขารรู้เรื่องวิญญาณ ความรับรู้รับทราบนี่จะรู้ได้ด้วยปัญญารู้ได้ด้วยปัญญาเพราะแ่นปฏิบัติจเจริญสมถะให้ได้สมาธิคือความมั่นคงคือความสงบความไม่ลวนเลไม่ฟุ้งซ่านลำคาญของใจแล้วก็จเจริญปัญญา เยนเพ่งจะเริญนด้วยสุตะการได้ยินได้ฟังแล้วก็คิดพินิษพิจารณาจะเริญนด้วยการนึกการคิดเอาเองให้ควรเอาเองจนรู้ความสูความผิดรู้ความ เป็นรูปเป็นนามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเนีมันจึงจะเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นวิมุตต์วิชารู้แจ้งเห็นจริงปัญญารู้รอบรอบรู้ในกองสังขารวิชารู้แจ้ง ความเมืดก็สิ้นสุดไปลูกร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมันประชุมกันเกิดมาแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงยืนเดินนั่งนอนและการหล่อเลี้ยงลูก การอุปถัมภ์ค่ำชูในรูปร่างกา ย, อยนอกจากการเปลี่ยนเรียบบเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็มีการบำรุงการบำรุงก็คือการบริโภคดื่มกินต้องมีข้าวน้ำอาหารทาดบริโภคเรียกว่าเอาเข้าไป มือเอาเข้าแล้วก็ต้องมีเอาการเอาออกถ้าเข้าแล้วไม่ออกไม่่ายเทไม่่ายเทก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องสลายพราฉนั้นมือเอาเข้าไปแล้วก็ขับก็่ายถ่ายเป็นอาหารเก่า่ายเป็นน้ำมูดธาตุน้ำก็ต้องขับทาย บริโภคน้ำเข้าไปแล้วก็ต้องขับถ่ายน้ำออกมาน้ำใหม่เข้าไปน้ำเก่าถ่ายเทออกมาอาหารใหม่เข้าไปอาหารเก่าก็ถ่ายเทออกมานี่เป็นสภาพความจริงของสังขารของรูปรธรรมคือร่างกายเมีอขับ ถ่ายไม่ได้เอาเข้าไม่ได้เอาออกไม่ได้แล้วก็เรียกว่าวิกฤตวิกฤต ก, ก็เรียกว่าแยกย้ายสลายการประชุมของาธาตุจะลายไปการประชุมของาธาตุของจิตใจใจก็ไม่อยู่ในรูปร่างกายที่เป็นเรียนร่างที่เป็นบ้านที่อาศัยของใจ อันก็แยกออกไปใจก็เป็นใจธาตุก็เป็นธาตุเนี่ยนี่ความจริงของเขาเป็นอยู่อย่างนี้เรียว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดนี่เป็นธรรมชาติของกายกับใจที่มันสัมผัสสำคัญกันอยู่ ที่นี่เมื่อมันคิดผิดคิดไม่ถูกมันจึงเป็นทุกข์หรือเมื่อบำรุงร่างกายด้วยธาตุมันมีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมันก็เกิดทุกข์เกิดเวทนาถ้าไม่มีธาตุเข้ามาบำรุงมันมันก็เกิดทุกข์เกิดเวทนาคือ เ, เกิดความหิวเกิดความหิวเกิดความอยากมันก็เป็นทุกข์เท่านั้น เพราะฉะนั้นมันจึงต้องทายเทเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยมันหิวมันอยากก็ต้องเอาธาตุเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาของใหม่เข้าของเขาของเก่าก็ต้องระบายออกไปนี่จึงพอทนอยู่ได้มีชีวิตมีความสืบต่อกันอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนเอียบทเพราะการทายเท ที่ส่วนใจนั้นไม่เหมือนกายใจเนี่ยอาหารของใจคืออารมณ์คือความเสวยเสวยอารมณ์ร้ายก็ให้เกิดความขัดเคืองเกิดความไม่พอใจก็ไม่สบายใจาอารมณ์ที่ดีที่เป็นธรรม ก็ทำให้ปลอดโปรง่งทำให้สบายใจปลอดโปร่งโล่งสบายเนี่ยมันมีวิธีอยู่อย่างนี้เรียกว่าวิธีกายกับใจเมื่อวิธีของกายกับใจมันมีความ สมดุลกันให้เป็นไปได้ก็ใช้งานมันได้ที่นี่ที่เรามาใช้ใจใช้กายท่านจึงเปรียบเหมือนกับว่ากายนี่เป็นผู้รับใช้เป็นบ่าวเป็นบอยผู้รับใช้จากใจท่านจึงว่ากาย ใจเป็นนายกายเป็นเบาวก็เลยมาใช้กันอย่างนี้แหละปะมาใช้มาประครบประงมกันมาบำบัดกันความขัดเคืองเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นก็บำบัดด้วยการเปลี่ยนริยาบทด้วยการขับการท่ายการเท สิ่งที่ทำให้เกิดความขัดเคืองกันออกไป น, นี่เมื่อมันอาศัยกันอยู่ซัวขัา้าหนึ่งมันก็ต้องแยกจากกันเพราะมันเป็นคนละอันคนละอย่างกายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่ง แต่เมื่อมันซ้ำประยุทธ์กันมันรวมกันอยู่มันจึงมีเหตุมีผลให้เกิดความเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจทุกกายทุกใจบวกกันเข้าก็เลยเป็นทุกเป็นทุกมากเป็นทุกทั้งกายทั้งใจเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจเรื่องของกาย ที่จะบำบัดทุกทางกายรู้ว่าร่างกายเนี่ยมันต้องการอะไรมาเปลี่ยนอริยบทหรือมาสัมผัสความทุกข์ที่มีขึ้นมันจึงจะหายไปเหมือนกันเหมือนกันกันกบเวลาเราเป็นเกิดโรคภัยต่างๆนั่น มันไม่ได้เป็นโรคภัยอะไรความจริงมันเป็นเพียงความไม่สมดุลกันระหว่างธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่สมดุลกันมันจึงเกิดเป็นเชื้อโรคเป็นโรคอันนั้นอันนี้ก็ ม, มีเชื้ออันนั้นอันนี้เกิดขึ้นมาคือความไม่สมดุลกันก็ต้องมาบําบัดโดยการเยียวยา อาเยียา์ยาที่เอาเข้าไปเยียรยามันก็เป็นธาตุธาตุเหล็กธาตุดินธาตุสังกะสีธาตุที่มีความเย็นธาตุที่มีความร้อนนั่นเอาเข้าไปบำบัดกันจึงให้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างบางสิ่งบางอย่างทกเลาหรือหาย ความหายก็คือความสมดุลระหว่างธาตุที่มันอาศัยกันอยู่เท่านั้นละ่ะที่ว่าโลกหายความทุกข์หายไปปรากฏเป็นความสุขเกิดขึ้นนี่จงว่าโลกของกายทุกขวเวทนาของกายปรากฏ สัมผัสกับกายพอมีกายแต่มีใจเป็นผู้รู้ว่าสุว่าทุกข์พิจารณาด้วยปัญญาเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของธาตุอายตนะตามเป็นจริงแหละความหลงไม่มีเป็นความรู้ก็เป็นวิชาคือความรู้ มันก็รูล้ละรู้ถอนรู้วางใจถอนอุปทานจากความพยุด ก, กายที่เข้ามาเหลือใจเหลือแต่สภาวะที่ไม่มีตัวตนไม่เป็นวัตถุไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่หากว่ารู้ด้วยความสัมผัสแห่งใจ า ม, มาใช้ปัญญาที่ไม่เป็นวัตถุแต่เป็นเพียงเป็นอาการแห่งความรู้ความเห็นละเอียดมาแยกแยะความสุขในจิตสุขเกิดขึ้นเพราะความรู้ปล่อยวางทุกเกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดยึดมั่นถือมั่น มื่มารู้ด้วยปัญญาละก็วางถอนถอนอุปทานความยึดผิดเห็นผิดรู้ผิดกลายเป็นความรู้ชอบเนี่ยเมื่อรู้ความจริงรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีกายและใจเป็นที่สัมผัสเป็นที่พาดพิงกัน รู้ตามเป็นจริงเลยมันก็วางมันก็ถอนกายกับเป็นกายใจกับเป็นใจความเข้าไปสำคัญมั่นหมายไม่มีเลยไม่มีทุกเพราะไม่มีอุปทานถอนอุปทานถอนอุปทานด้วยปัญญาตันหาก็ดับตันหาคือความอยากก็ดับอุปทานความยึดถือความหนักนวงดับ ความหลงเพราะความมืดก็ไม่หลงเพราะมันรู้แจ้งแล้วอันแหละจึงเหลือแต่ธรรมชาติรู้จึงว่ารู้ไม่มีสมมุติไม่มีบัญญัติรู้แทร่รู้เดิมเป็นธรรมชาติรู้รู้ละรูวางแล้ว ล, ละรู้วางรูว่างด้วยปัญญาแล้ว อันนั้นจึงไม่มีไม่มีทุกข์เพราะสัญญาสังขารไม่มีทุกข์เพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมดอาการแห่งทุกข์เพราะไม่มีเชื่อไม่มีเชื่อที่จะให้โรคให้โกรธให้หลงไม่มีเชื่อที่จะให้เกิดเกิดความหลง ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีรักชังรู้เท่าทันอพอใจไม่พอใจรู้เท่าทันมันก็เป็นเพียงแต่สิ่งเกิดเกิดดับดับส่วนเรามาใช้สังขารถึงมาใช้รูประสังขารใช้นามมาสังขาร นามมาสังขารก็คือใช่สัญญาความจำได้หมายรูปใช่สังขารความนึกคิด น, นี่เรียกว่าใช้นามใช้นามมาขันใช่รูปประคันใช่สมองความนึกคิดที่เกี่ยวกับกายเกิดจาก สมองที่ดีสมองแวบสมองเสื่อมโทมก็กลายเป็นอัลไซเมอร์เป็นความจำเสื่อมเป็นความหลงหลงลืมลืม น, นี่มันเกี่ยวกับกายถ้าความรูร้มันไม่มีลืมที น, น, นีไม่มีลืมเป็นความรู้ไม่ต้องจำ แต่เป็นความรู้แต่ความจำเนี่ยมันต้องหลงลืมอยู่ยึงว่าสัญญาสัญญาใช้งานเกี่ยวกับรูปก็กายสัญญาใช้งานกับใจยังว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นสมบัติของใจรูปเวทนาสัญญาสัญญาทั้งขันวิญ ญ, ญาณ หรือรูปนามกายใจมันเป็นสมบัติสมบัติของใจที่จะใช้เม่มันสัมะยุตกันใจก็ต้องใช้กายให้ทำงานใช้สัญญาความจำได้หมายรู้ใช้สังขารความนึกคิดปรุงแต่ง แต่ทีถ้าใจมันมีอาสะวะมีอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยซึ่งมันก็มาเกิดกับใจเหมือนกันอวิชชาเกิดที่ใจมีอวิชชาพราะมีใจมีสัญญามีสังขาพรพะมีใจ สัญญาสังขารวิญญาณที่ใช่กับรูปร่างกายนั้นเมื่อตายแล้วมันไม่มีสิ้นลมหายใจแล้วในรูปในในกายเนี่ยมันไม่มีความจําที่อาศัยกับกายที่ว่าอาศัยกับสมองความนึกความคิดมีสมองดีนึกคิดได้รวดเร็วมันทํางานไม่ได้ละที ในสมมุติขยันห้าที่มันมันอาศัยกันเนี่ยทำงานไม่ได้มันไม่มีแต่มันมีสัญญาในจิตสังขารในจิตบิญญาณในจิตมันจะไปเี่ือในจิตนู่นที่นี่นะถ้าจิตนั่นมันยังมีอาสวะมีอาสวะมี อ, าา ว, มอวิชชา ้ความยังความไม่รู้แก้งยังมีอวิชชานะ่มันก็จะมาใช้มาใช่เครื่องมือของใจมาใช้สังขารใช้วิญญาณใช้เวทนาคือใช้ขันขันของกิจขันสี่นะ เมื่อรูปแตกนามดับนรูปกายแตกไปแล้วขันคือรูปไม่มีนันจะมีขันสี่เวทนาความเสวยความทุกข์สุขในจิตความจำในจิตสัญญาในจิตไม่ได้เกี่ยวกับกายสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในจิตนี่เหลือขันสี่ ขันสี่ถ้าอาวิชามันมีมันก็จะเป็นขันของอวิชาอันก็เป็นทุกข์อีกละเมื่อความหลงมันยังมีอยู่นึกคิดก็ทุกข์จาได้ลืมไปก็ทุกข์แล้วก็ความเสวยว่าสุขทุกข์มันก็เพิ่มทุกข์ขึ้นอีก เพราะมันมีอาสวะเป็นผู้เข้ามาใช้ขันนี้เมื่อทำวิชาให้แจ้งคือสติปัญญาณชอบเป็นวิชาแจ้งเป็นวิมุตต์พ้นจากสมมุติไปแล้วที่นี่ ขันที่มีในจิตก็เป็นขันบริสุทธิ์ตา ม, มสัญญาก็เป็นความบริสุทธิ์ของสัญญาสังขารก็เป็นความบริสุทธิ์ของสังขารวิญญาณเป็นความบริสุทธิ์ของวิญญาณเพราะไม่มีอาสวะเข้ามาแทรกมาปกคลุมจึงเป็นวิชารู่แจ้งขันก็เป็นขัน รู้แจ้งสัญญารู้แจ้งสังขารรู้แจ้งวิญญาณรู้แจ้งเวทนารู้แจ้งจึงไม่มีปัญหาอะไรต่อกันนี่ในเมื่อความสมมุติคือความหลงลงด้วยวิชา อิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิถูพระพุทธเจ้าแจกสติปัญญาด้วยคำสอนเรามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นให้ความเป็นจริงเกิดขึ้นกับกายกจิตกับเวทนาสัญญาสังขารกับจิตใจของเราแล้ว เหมือน ก, นกันกับว่าเชื่อกับไฟนี่เชื่อก็มีอยู่ไฟก็มีอยู่เมื่อเอาไฟเผาเชื่อมันก็เผาผานกันเผาผานกันไปจนหมดเชื่อเชื่อหมดไฟก็ดับนี่ยต่างต่างอันต่างเป็นของใครของมัน ก็ไม่มีปฏิกิริยาอีกต่อไปเชื่อถูกไฟเผาแล้วก็เหลือเชื่อก็เป็นเชื่อบริสุทธิ์เป็นเชื่อที่จะเอาไฟใส่อีกไม่เกิดไฟเหมือนเือมกับเท่าฝุ่นเท่าเราเอาไฟเผาเชื่อคือไม้ฟืน ต่างๆเมื่อมันเผาเชื่อมนเหลือแต่ความเป็นเท่าถ้ายังเป็นฐานอยู่ยังมีเชื่ออยู่ถ้าเหลือแต่ เ, เท่าแล้วเราจะเอาไฟประจุดอีกมันก็ไม่มีอะไรเผาผ่านกันเดียวเพราะมันหมดเชื่อที่จะให้ไฟเผาแล้วไฟก็ทำหน้าที่เผาเชื่อสิ้นสุดไฟก็ดับไป เชื่อหมดความเป็นเชื่อแล้วก็เหลือแต่เท่าเหล้วแต่เท่าแต่ฝุ่นไปนี่ระหว่างใจกับกิเลสหรือใจกับกายอที่มันอาศัยกันซึ่งกิเลสอาศัยใจเป็นที่เกิดอแล้วก็มาบังคับกายอืมาทํากรรมเพราะมีกาย เสร็จแล้วมันก็รวมเข้าไปเหลือใจให้เป็นเชื่ออยู่ที่ใจเมื่อทําลายเชื่อด้วยปัญญาทําลายเชื่อคื อ, อวิชาอันเป็นเหตุให้รุ่มหลงไม่รู้ตามเป็นจริงด้วยวิชาคือความรู้แจม่มแจ้งนี่แหละเวลาเชื่อคือปัญญา เขาอาวิชาให้สิ้นศูญไปคือความหลงความไม่รู้สิ้นศูนย์ไปด้วยความรู้รู้หมดรู้กายรู้จิตรู้รูปลู้นามรู้สัญญาสังขารอินญาณเวทนาสุขทุกข์เข้าใจตามความเป็นจริงแล้ว สติก็เป็นสติปัญญาก็เป็นปัญญาโลกโกรธหลงก็เป็นโลกโกรธหลงไปตามหน้าที่ของเขามันไม่มันไม่กลมกลืนกันมันไม่กมเกลืนมันไม่คุกคุนก้นกันกับจิตถึงเรียกว่า ไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงอย่างไเหลือแต่จิตเหลือแต่ธรรมชาติรู้แล้วก็ไม่มีเชื่อที่จะเพาะความไม่รู้ให้เกิดขึ้นอีกนีจริงเลยทำลายความไม่รู้ด้วยความรู้คือปัญญาหภาวนาจเจริญวิปัสนา ความหลงทั้งหลายจะสิ้นเชื่อหมดเชื่อโดยความรู้คือปัญญาเพราะนั่นจึงต้องเจริญปัญญาวิปัสสนาให้มากเจริญให้มากทำให้มากเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเจริญสติคือเจริญศีล มีความรู้ความระลึกรู้ตื่นอยู่แล้วความรู้ตั้งมั่นในการตื่นรู้เนี้ยก็จเจริญความรอบรู้ให้ความรอบรู้นี่รอบรู้ละเอียดเข้าไปจนรู้รอบรอบรู้ในสติรอบรู้ในสมาธิอืม จะก็รอบรู้ในปัญญาปัญญารู้ปัญญาปัญญาเห็นปัญญาหรือว่าใจเห็นใจใจรู้ใจนะั่นใจรู้ใจใจเห็นใจใจวางใจนั่นหมดเชื่อกันตรงใจวางใจนะหรือว่าคือรู้อยู่ตามธรรมชาติของตนเองนี่จริงว่ารู้ละรู้วางรู้เป็นวิมุตต์คือพ้นจากสมมุต เป็นรูปที่ไม่มีเชื่อที่จะให้เป็นกรรมให้เป็นภพเป็นชาติต่อไปอันนปว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราในปัจจัยการในอารมณ์ในธาตุสี่ขันธ์ห้าที่เป็นปัจจัยการคมกืนกัน วิชาปัญยาสังขาระนี่ว่าอวิชาระเป็นเหตุให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งเมื่อความปรุงแต่งเกิดมีขึ้นก็เป็นทุกข์จิตใจของเราเวลาเรานึกคิดมากๆปรุงแต่งมากๆมันไม่สงบมันเป็นทุกข์เมื่อรู้เท่ามันสงบสังขารเหล่านี้สงบด้วยความรู้ ด้วยสติปัญญาล่ะมันก็เป็นสุขท่านจึงว่าเตสังวุปสโมสุขโขความสงบระงับแห่งสังขารย่มนำมาซึ่งความสุข <c oughs> นี่มันจะสงบระงับกันโดยปัญญาเพราะฉะนั้นได้นำธรรมะมาพูดมาอธิบาย ต่อจากการอบรมเรื่องสติสมาธิการฝึกปฏิบัติทำจิตของเราให้มีสมาให้มีสติเป็นเพื่อนสองคือให้รู้ตัวให้ระลึกรู้ให้ระลึกรู้ลมหายใจรู้บริกรรม พูดเข้าโทรออกนี่ฝึกซ้อมสติฝึกซ้อมสมาธิให้ตั้งมัน่นก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะทนเมื่อเราฝึกเราปฏิบัติมันยังไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆถึงว่าภาวนาไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆด้วยความไม่ประมาทพยายามไม่ประมาทที่จะไม่ประมาทได้ก็เพราะสติมันต่อเนื่องกันและลึกลู้รู้ตัวต่อเนื่องกันจริงเรียกว่าไม่เผลอสติไม่เผลอถ้าสติเผลอนี่เรียกว่าประมาทนี่สติจะต่อเนื่องต่อเมื่อฝึก ให้มา ก, กเกลเ่ินให้มากกาหนดรู้ให้มา ก, มากเฉพาะเวลาเรามานั่งทําสมาธิภาวนาก็ให้มันระลึกรู้ต่อเนื่องกันเมื่อเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งไปเดินก็ให้มันรู้ต่อเนื่องกันเปลี่ยนจากเดินไปยืนให้มันรู้ต่อเนื่องกันเปลี่ยนจากยืนนอนลงก็ให้มันรู้ต่อเนื่องกันไปจนนอนหลับ ขณะหลับมันก็จะเหลือแต่ความรู้พอตื่นขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าตื่นตื่นจากหลับรู้สึกว่าตื่นก็ให้ความระลึกรู้ก็ต่อเนื่องกันไปนั่นเรียกว่าสติต่อเนื่องก่อนปัญญาเรียวิปัสสนาทาตามที่ได้อธิบายเนี่ยก็ฝึก สุตามายปัญญากินตามายปัญญาภาวนามายปัญญาเป็นภาวนาที่ไม่มีความประมาทแล้วสติต่อเนื่องกันแล้วเมื่อมันยังขาดวักขาดตอนอยู่ก็กภาวนาไปรเรื่อยตั้งไปรเรื่อยให้กำหนดรูค้นคิดพินิจพิจารณาตึกตองไปเรื่อยือตึกตองกายกับใจนี่แหละ ติกตองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รวมกันอยู่ที่เรียกว่ารูปปรธรรมนามรธรรมเรียกว่าติกตองในธรรมตึกในธรรมพิจารณาในธรรมค้นคิดในธรรมนี่เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญภาวนา หรือปฏิบัติรำสติสมาธิและปัญญาให้กลมกลืนกันไปเมื่อมักทั้งสามคือสติสมาธิและปัญญากลมกลืนกันแล้วอมักทั้งสามนี่แหละหรือปัญญาสามนี่แหละ จะทำหน้าที่ควบคุมงานงานหยาบงานหยาบที่เราทำทางกายพูดทางวาจารหรือใช้ความนึกคิดทางจิตใจทำการงานที่ชอบเส้นธุรกิจการงานอะไรที่เราทำกันแล้วแต่ งานทางความคิดงานทางความรับผิดชอบทางกายทางวาจาธรรมะที่เจริญธรรมะที่เป็นองค์มรคคือสติแท้ปัญญาแท้สมาธิแท้ที่สัมผัสอยู่กับจิตใจกับใจของเราเนี่ละก็จะไปทาหน้าที่ควบคุมงานภายนอกนั้นให้เป็น ความชอบเป็นการงานชอบเป็นวาจาชอบเป็นความนึกคิดที่ชอบเรียงว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตที่แยกออกไปเป็นอาการของมรรคแปดหรือทางเดินทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความสาเร็จ คือทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้อาศัยอาศัยธรรมะอันเดียวกันนี่แหละอาศัยศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญ า, า, ปญญาเป็นผู้ทางานเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นการฝึกสติสมาธิปัญญาเนี่ย จึงต้องทา <c oughs> ที่กายที่จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติผัดถากหรือขัดสีธรรมะให้บริสุทธิ์หมดจดก็คือขัดสีกายใจขัดสีจิต สัญญาเวทนาสังขารที่อาศัยกับรูปกายให้เป็นขันบริสุทธิ์รูปประขันบริสุทธิ์คือไม่เอารูปกายไปทำโทษไปทำบาปนั่นแหละมันก็เป็นความบริสุทธิ์ในตัวของเขาีจนละเอียดเข้าไปอาศัยสติปัญญา ขัดเก่าจิตคือธรรมชาติรู้จิตใจธรรมชาติรู้ไม่ให้หลงไม่ให้หลงสังขารไม่ให้หลงโลภหลงโกรธไม่ให้หลงสังขารหลงวิญญาณอาการของขันห้าทั้งหลายไม่ให้หลงอวิชชา คือความไม่รู้ตามเป็นจริงเลวลามันจะหลอกลวงมันจะบอกเรา อ, อันนี้มันยากไม่ต้องทำภาวนานี่มันก็เป็นของยากตั้งสตินี่ก็เป็นของยากปล่อยทอดทุระไปะนั่นอวิชามันจะบอกความรู้หลงมันจะบอกความรู้แก้งรู้ทันคือวิชาเอาไม่เอา ต้องเจริญต้องตั้งเข้าให้มากๆต้องสติแห่งมากกำนัลลู่เข้าให้มากๆขยับธรรมะเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็รวมลงเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบอย่างเดียวเท่านั้นะสิ้นสุดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้ <c oughs> ด้วยปัญญาอันชอบ กำหนดรู้ <c oughs> นี่นี่อธิบายธรรมะด้วยเสียงหรืออาการก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาในทางกำหนดเข้าสู่ความรู้สงบแนวเข้าสู่ใจ นี่เมื่อความรู้มันไม่มีอะไรมันไม่มีนึกไม่มีคิดไม่มีปรุงไม่มีแต่งเรียกว่าเป็นธรรมชาติรู้เฉยรู้ที่เป็นธรรมนั้นก็ไม่มีทุกข์อะไรเกิดขึ้นนั่นก็ไม่มีภพไม่มีชาติมีความรับรู้วิญญาณอะไรต่างๆ นเลว่าเข้าถึงผู้รู้อันแท้จริงด <c oughs> ้วย อ, อำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติเจริญภาวนาฟังธรรมะเพื่อเป็นการอบรมจิตใจในวันนี้ขอให้น้อมนึกระลึกเอาความดีบุญกุศลที่เราประพฤติปฏิบัตินี้ น้อมถวายเรียกว่าอธิษฐานถึงดวงจิตดวงวิญญาณของพระบติสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ท, ที่เสด็จสู่สวรรค์ารยพระองค์เป็นผู้มีพระคุณนันประเสดเป็นผู้ทาคุณแก่ประชาราช ชาวโลกทั้งหลายหรือชาวไทยของเราทั้งหลายนี่ด้วยการปฏิบัติพระ อ, องค์ทางทางพระวรกายทางกําลังพระหฤิษไทยดวงใจของพระ อ, องค์หวังให้ผู้อื่นจิตใจดวงอื่นวิญญาณดวงอื่นได้รับความสงบสุข ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบที่พระองค์ได้เป็นผู้นำในการปฏิบัติทศพิธราชธรรมทั้งสิบประการหรือในอิทธิบาทธรรมทั้งสีประการสันทวิริยะกิตติวิมังสาหรือในธรรมมันเป็นเหตุ ให้ระลึกถึงซึ่งกันและกันด้วยทานการให้ปันอิยาวาจาราวาจาเปลงวาจาที่มีประโยชน์เป็นวาจาชอบแล้วก็ปฏิบัติพระองค์เป็นผู้มีความเสมอไม่ถือเนื้อถือตัว เวลาเสด็จไปพบปะชาวบ้านชาวเมืองประชาชนเผ่าต่างๆพระองค์ก็วางพระองค์ให้เข้ากับสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นคมกืนไปไม่เป็นที่คัดเคืองนั่นคือการประพฤติตนเสม อ, อไม่ถือตั ว, ถ, ตวถือตนธรรมะเรานี่พระองค์นำมา ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเรื่องอย่างเพื่อให้เป็นแนวทางของผู้อื่นแต่นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเข้าถึงความเป็นธรรมความเสมอภาคความเป็นสันติความเป็นอิสระแต่ละกายแต่ละใจนี่เียวว่าได้รับความสุขทางกายทางใจด้วยการ พะพฤติตนให้เป็นธรรมนี่พระองค์เมือคุณาโนคุณเพราะฉะนั้นอันนี้พวกเราได้พะพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในส่วนกายวาจาและจิตใจก็น้อมระลึกอธิษฐานอุทิศถวายเป็นพระราสกุศลแด่พระองค์ท่านและอุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณบิดามารดา ญาตินิทมิสหายปูยาตายายสัพพสัตทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ขาพเจ้าได้กระทำแล้วและได้ปฏิบัติจเจริญศีลสมาธิปัญญาในบัดนี้หรือที่ได้จเจริญมาแล้วในอดีตจงรวมเป็นพระกำลังให้พวกท่านทั้งหลายผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย หรือผู้ที่ร่วมโรคเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโยงถึงซึ่งความสุขความเจริญด้วยบุญกุศลที่ได้แผ่ได้อุทิศให้นี่เมื่อมีทุกอยู่ค่อยผลจากทุก์ถ้ามีความสุขแล้วค่อ้มีความสุขยิ่ ง, งขึ้นไปในที่ทุกสถาน ในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนอธิบายธรรมะเห็นว่าสมควรแก่กาละเวลาเอวังก็มีด้วยปรการชนี